การปฏิบัติธรรมลงมาถึงวันนี้ก็ถือว่าเป็นการตั้งใจทำาความเพียนในลักษณะเก็บอารมณ์เก็บอารมณ์ก็คืองดกิจกรรมอะไรที่ความจำเป็นน้อยตักว่กนให้เหลือแต่เรื่องของการทำความรู้สึกตัวให้ติดต่อย่างใี้ต่อเนื่องความต่อเนื่องเนี่ยเป็นกุญแจหลัก ตัวพุทธศาสนาแล้วตัวพุทธศาสนานี่ก็ตัววิพัสนาตัวบีพัสนาอย่างมีเกิดพุทธศาสนาในยุคแรกก็เพราะว่าตามวัฐานตํองหลักตำลาคำวิพุทธศาสนานี้เกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสสรู้แล้วพระสง์ ก็เกิดหลังจากที่พัญญากรธัญญาได้บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าแล้วว่าธรรมก็คือคำเทศคำสอนที่พระองค์ท่านตัดสรุปเข้าใจและท่านาพูดเรื่องอื่นนะ่มันมีมาอยู่ก่อนแล้วประสงค์ก็มีมาก่อนถ้า ร, รูปแบบท ร, รมะ เพื่อตัวไปเรื่องสมถะเรื่องอะไรนี่มันก็มีมาอยู่แล้วเรื่องการดาสมาธิส ม, มาบัติแต่เรื่องของวิปัสสนามันเกิดขึ้นหลังจากที่พวกที่เราได้ประกาศคําสอนดังนั้นเรามาจะลงพุทธศาสนาในที่นี้คือมาปฏิบัติธรรมจนกระทั่งว่าทำให้ตัววิปัสสนาอย่างนี้เกิดเมื่อวิปัสสนาเกิดขึ้นมา เราเรียกว่ามีพุทธศาสนาเกิดขึ้นเราเข้าถึงตัวพุทธศาสนาแปลว่าคําสอนพุทธแปลว่ารู้ตื่นเบิกบานคําสอนที่ทําให้เกิดการรู้ตื่นเบิกบานจากกิเลสจากความทุกข์ตั้งหลายตั้งพวงถ้าเราไม่เข้าถึงสภาวะธรรมวนั้นก็เรียกว่าเรายังไม่เข้าถึงตัวพุทธศาสนานี่ในพุทธศาสนาเนี่ยมันจะต่างจากศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาพุทธดั้งเดิม เรามีกันอยู่ในลักษณะเป็นขนมธรรมเนียมประเพณีอันนี้มันเป็นรูปแฝดเป็นเปลือกของศาสนาแต่ตัวพุทธศาสนาจีิอยู่ข้างในประเพณีพิธีกรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นเปลือกอยู่ข้างนอกนี่วาระทเป็นกระพีกระพีที่เป็นห่อหุ้มจิตเราตัวพุทธศาสนาคือตัวจิตที่มันรู้ตื่นเบิกบานที่มันไม่ห่อหุ้มโดยกิเลสอาสวะ ท, ที่อยู่ข้างใน ที่เราแหวกประเพณีพิธีกรรมแหวกหน้าที่การงานมาเราก็ยังมาแวกเอาตัวนี่วารธทํ า, า, า ม, มีตัวกรรมฉันถ้าตัวพยาบาทบุญยติดอัดตัวพุงสารนําคาสงสัยลังเลตัวงอ ง, งานอนเอาคนนี้ออกไปธรรมะจึงจะอยู่ข้างในคนไหนค้นหาธรรมะที่อยู่ข้างในได้นี่เหมือนกับการหาหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าเหมือนเพชรในคางคก ในหัวกังคกกังคกที่มันน่าเกลียดน่ากลัวนะแต่คนก็คนผู้ฉลาดเขาก็จะแสวงหาต้องเข้าไปแต่คนไม่ฉลาดมันก็ไม่หานามันก็ไม่เห็นแต่จริงทุกอย่างมันก็มีอยู่แล้วนะไม่แต่น้ําในดินเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่าเพียงแต่ว่าคนเกิดมาในโลกในี้ใครนะที่จะเฉลียวใจเอ็กขุดน้ำแล้วก็จะได้น้ํา อาหารการกินก็มีอยู่ทรัพย์สมบัติเงินทองเครื่อของมันก็มีอยู่ในตลาดโลกนี่เพียงแต่ว่าคนไหนขยันหาคนนั้นก็ได้เหมือนกันพุทธธรรมก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนลงทุนแสวงหาหน่อยสละความยึดติดในอาวิธ ท, ทั้งไหนทั้งปวงมาแสวงหาสัจจะในทางธรรมเพราอธรร ม, มะนี่จะเป็นเครื่องกลุ่มชะตาชีวิตของเราอีนง เราเข้าใจโลกยังไงพฤติกรรมชีวิตเราก็สมังค่ะไปอย่างนั้นดําเนินไปอย่างนั้นเขาบอกว่าพุทธศาสนานี่มีทางเพียงสายเดียวเอกายนธรรมไม่มีหลายสายสายเดียวทนี้เราก็ถามตัวเอง่าพุทธศาสนาปัจจุบันนี้เป็นทางสายเดียวจริงหรือมันก็ยังเป็นสายเดียวเหมือนเดิม ทางสายเองสายเดิมสายเดียวที่จะนาไปสื่ตัวบริสุทธิ์หมดจดในจิตเอาสัตตานังวิสติยาโซกับบริทิวะทุกขโทมนัตสานังดับทุกดับโทมนัตที่ปรากฏเกิดขึ้นนิพพานักสัสัทธิตกิริยายะที่เป็นการทาพระนิพพานให้แจง้ง แสดงวันนี้ผ่านเมันมีอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่แจ่มพอเอาความมืดออกมีผ่านก็ปรากฏเส้นทางสายนี้ก็คือการมีสติอาตาปีสติมาสัมปชาโนอาตาปีก็คือมีความเพียรเพียนเพื่อระลึกหรูแต่ถ้าเพียนเพื่อยอย่างอื่นไม่เรียกว่าสัมมาวายามะเป็นดางโลกเปลียนทางเงิ น, น้าทองข่าวความเพียน ทำอะไรก็ตามทางโลกนะไม่ได้เพียนเพื่อระลึกรู้ระลึกรู้ดูจิตดูใจตัวเองไม่ได้เพียนระลึกรู้ไม่ได้เพียนกำหนดรู้ไม่ได้เพียนปล่อยวางเพียนละเอาุศลจิตที่ปรากฏเกิดขึ้นเพียนเพื่อประคองจิตเพื่อตั้งจิตไว้เพื่อความไม่เลอะเลือนความยั่งยืนความเจริญความรู้รอบ ของสติสัมปชัญญะนี้นี่ก็เรียกว่าความเพียรถ้าเราขยันมีอาตาปีมีความเพียรสติมาระลึกรู้สัมปชาโนรู้ตัวทั่วพร้อมทำสิ่งนี้ให้ปรากฏอยู่อย่างสม่ําเสมออย่างต่อเนื่องเขาเน้นคําว่าต่อเนื่องนะถ้าไม่ต่อเนื่องมันก็ไม่เป็นใหน้ถ้าทาได้ต่อเนื่องสติมันต่อเนื่อง ความสวา่างเนี่ยเหมือนถ้าเป็นเกิดเกิดดับดับเนี่ยมันจะมีปัญหามันไฟแสงสีที่มัติดเอาไว้เนยมันเกิดเกิดดับดับว้าวว้าวว้าวเป็นนิมิตเป็นปีนติอะไรต่างๆว้าูว้าวว้าวไม่ค่อยดีเลยแต่จะติดจะติดที่มันสว่างไปเลยคือกำหนดรู้ต่อเนื่องในสติมันมีความมั่นคงเข้มแข็ง เรื่องมีความสวา่างเราก็จะสามารถทำอะไรได้ตามตามที่มันเป็นจริงแต่ถ้ามันดำดับติดๆิดเนี่ยมันทำใหาเราเสียอะไรันใไปที่ทำให้ความเข้าใจผิดเป็นวิทยาทิฏฐิปรากฏเกิดขึ้นในภาวะปรากฏการณ์นั้นดังนั้นเราสังเกตดูว่าหลายๆคนห้ายๆแห่งใๆที่เขาปฏิบัติทำแบบโน้นแบบนี้แบบไหแบบ น, นก็ตามเถอารูปแบบข้างนอกเนี่ย เราไม่ได้ยึดถือหรือว่าเอาเป็นความถูกความผิดชาวเขาอาจจะแต่งตัวแบบหนึง่งพวกพื้นล่างก็แต่งตัวแบบหนึง่งในเมืองแบบหนึง่งฝรั่งแบบหนึง่งคนไทยแบบหนึง่งแต่สุดท้ายก็คือเพื่อห่อหุ้มตัวเองพ้นจากความร้อนความหนาวนัว่นแหละเหมือนกัน ร, รูปแบบการปฏิบัติธรรมแต่และคนนี่อาจจะไม่เหมือนกันตรงที่กันจะกําหนดรู้กับอวัยวะชั่ส่วนไหนจะเลี้ยงตัวรู้เนี่ยอยู่กับอะไร ภาชนะห่อหุ้มข้างนอกนี่อาจจะเป็นขนสัตว์เป็นผ้าคอตตอนเป็นอะไรต่างๆมันก็คือทำให้อบุ่ญไ น, นแหละหัวห่อหุ้มร่างกายแต่ตัวข้างในก็คือเราต้องการความอบอุ่นตัวอบอุ่นั น, นคือตัวสติที่เราจะยืนเดินนัง่งนอนทำอะไรก็ตามมีสติและลึกรู้อยู่ปัจจุบัน น, นั่นะทางใสนั้นแหละที่ําให้เกิดสันติภาพภายใน จนกระทั่งว่าเรารู้เส้นทางด้วยปัญญาของเราเองคือรู้ว่าจิตมันมีความโล่งความโปร่งอยู่ภายในหลังจากเราแกะเอาตัวนิวรธรรมซึ่งเป็นเปลือกของจิตออกไปแล้วทำมาที่อยู่ภายในนั่นแนหะจิตที่มันสะอาดสว่างอยู่ตรงนั้นตัวนั้นคือตัวพุท ธ, ธพุท ธ, ธจิตอยู่ตรงนั้นตัวโพธิจิตอยู่ตรงนั้นทํายังไงอะ มันจิตจะส่องสว่างก็ว่าจิตนี้เป็นประพัดสอนประพัดสร้างมิทงังคือจิตนี้เป็นประพัดสอนแต่ว่าขีดเด่ที่จอดมามาห่อหุ้มจิตเราเฉยเฉยทีนี้เราก็ปล่อยวางสังเกตนะเวลาเราปล่อยอารมณ์เวลาอารมณ์คิดขึ้นไรปล่อยวางไปใจมันก็โล่งขึ้นมาเหมือนเดิมแต่เมื่อไหร่นี่ความคิดวิ่งมาแล้วเราไปคิดตามความคิดเนี่ยมันก็ติดอารมณ์มันก็มืดเหมือนเดิมจริงจริงพุทธธรรมก็ไม่มีอะไรเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเท่านั้นเอง เปียนแต่ว่าเราคนสอนเนี่ไปคิดให้มันสลับซับซ้อนหาวิธีการพูดเวลาวิธีการสอนหรือวิธีการเสว่งหาติเลกัลาบจากความสลับซับซ้อนของจิตในแง่งมุมต่างๆมันก็เลยเฟอไปก็เลยเพี้ยนไปนานวันเขา้าพูทศาสนามันก็เพียเพ้ยนไปเพี้ยนไปแต่ว่ามันก็ยังโชคดีว่ามีคนมาศึกษาเรียนรู้แล้วเขาก็าพยายามพูดใุแมุมที่มันง่ายนะ้รั เราก็ได้ศึกษาอันพยายามชีวิตนี้วันนี้เราตั้งใจเก็บอารมณ์เก็บอารมณ์ก็คือตั้งใจพยายามทําให้มันต่อเนื่องให้มานที่สุดให้มันไ่วงุหงิดมันเล้าทําอะไรที่มันเล่กเล่ง น, น, น, น้อยอันนั้นตัดทิ้องออกไปพยายามอยู่กับปัจจุบันให้มันมา ก, มากมาพยายามกินน้อยสํารวมสังเกต เวลาเดินก็สังเกตอย่าเดินลุยคื่อๆไปลูงเดียวสังเกตสังเกตสิ่งที่ปรากฏในจิตเราอนะอะไรเข้ามาหอมไม่หอมสะอดออกเมื่อวานได้ยังมีงม่วงอีกวันนี้อาทิตถานก็รู้ว่าจะไม่ให้หลับเลยอาจจะเดินตลอดก็ได้หรือว่าหลับอีทน่หนึ่งก็หนีทันทีพ ย, ยายามต่อสู้เหมือนคนที่ไม่ไม่จงใจที่จะให้ความม่วงเหงาใ้วารธรรมหรือครอบนำ รวยออกแซ่ออกศีลออกใ้จิตเรา่ให้มันเหลือแต่ตัวจิตล้วนๆแล้วมันจะเป็นยังไงเชื่อว่าท่านทั้งหลายคงทำได้นะ